กระนั้นก็ตามอัลลอฮ์จะทรงกระทำตามที่พระองค์ทรงประสงค์เขากล่าวว่าโอ้พระผู้อยบานของฉัน โปรดได้ทรงมีสัญญาณหนึ่งแก่ฉันด้วยตื่นพระองค์ตรัสว่าสัญญาณของเจ้านั้นคือเจ้าจะไม่สามารถพูดคุยกับผู้คนเป็นเวลาสามวันนอกจากด้วยการแสดงท่าทางเท่านั้นและจงดำลึกถึงพระผู้ิบาลของเจ้าให้มากและจงกล่าวให้ความบริสุทธิ์ต่อพระองค์ทั้งในยามเย็นและยามเช้า ال م م และจงรำลึกขณะที่มาลิกากล่าวว่าโอ้ม oh, ารยาบแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงเลือกเธอและทรงทำให้เธอบริสุทธิ์ และได้ทรงเลือกเธอไว้เหนือบรรดาสตรีแห่งประชาชาติทั้งหลายโอมารยาจงพักดีต่อพระผู้บานของเธอเถิดและจงสุญูดและจงระ ก, กัวร่วมกับบรรดาผู้ระ ก, กัวทั้งหลาย นั่นคือส่วนหนึ่งจากบรรดาข่าวในเรื่องสิ่งรึนลับซึ่งเราได้ชี้แจงให้เจ้าสราบ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 إِذْ قال إِنَّ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ الْمَسِيحُ عِيْسَ مَرْيَمَ وَجِيْهَا وَجِيْهَا مِّنْ هُسْمُهُ ذْنُ وَالْآخِرَةِ وَمِنَ فِي الدُّنْيَا จงจำเลือกถึงขณะที่มาไลกากล่าวว่าโอมาเรย์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 และจะอยู่ในมูอคนดีขาว่ทรอันนั้นจะเُลอ่ารับบ์ขาว่าที่รับบ์้าว่า่รับาว่บาว่าทีข้าวรับว่บาวข้าวับ้ร้บัขั ฉันจะมีบุตรได้อย่างไรทั้งๆ ท, ที่ไม่มีชายใดแต่ต้องตัวฉันพระองค์ตรัสว่ากระนั้นก็ตามอาลัลลอ์จะทรงบังเกิดสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์เมื่อพระองค์ชี้ขาดงานใดแล้วพระองค์ก็เพียงประกาศิตสิ่งนั้นว่าจงเป็นขึ้นเถิดแล้วมันก็จะเป็นขึ้นววัยวัยนลิม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 และเขาเป็นทูตไปยังวงวานอิสราเอลโดยที่เขาจะกล่าวว่า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 และจงเชื่อฟังฉันแท้จริงอลัลลอฮนั้นคือพระผู้บานฉันและพระผู้บานของพวกเจ้าดังนั้นจงเคารพภักดีต่อพระองค์เถิดนี่แหละคือทางอันเที่ยงตรง คร ال ั้นเมื่ออีจารู้สึกว่ามีการปฏิเสธศรัทธาเกิดขึ้นในบูกของพวกเขา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 โปรดทรงบันทึกพวกเราให้อยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่กล่าวปฏิญาณยืนยันทั้งหลายด้วยเถิดและพวกเขาได้วางแผนและอลัลลอฮ์ก็ทรงวางแผนด้วยและอลัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้วางแผนที่ดีเยี่ยม إذ قال َ الله يا عيسى إني متوافق ورافعك إلي وطهيرك م من الذين كفروا وطهيرك م من الذين كفروا وجعل الذين ا تبعوك فوق الذين كفروا ت ت จงดำลึกถึงขณะที่อลอตรัสว่าโออีสาข่าจะเป็นผู้ที่รับเจ้าไปและจะเป็นผู้ที่ยกเจ้าขึ้นไปยังข้า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 และจะไม่มีบรรดาผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพวกเขาและส่วนบรรดาผู้ที่ศัทธาและกระทาความดีทั้งหลายนั้นพระอง์จะทรงตอบแทนแก่เขาอย่างครบถ้วนซึ่งรางวัลของพวกเขาและอลลอฮ น, นั้นไม่ทรงชอบ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 ลกกมมมินนรบุทมมลลแท้จริงอุปมาของอีซาดังอุปมาอของอาดัมพระองค์ทรงบังเกิดเขาจากดินและได้ทรงประกาศสิบแก่เขาว่าจงเป็นขึ้นเถิดแล้วเขาก็เป็นขึ้น ความจริงนั้นมาจากพระผู้อวาพของเจ้าดังนั้นเจ้าอย่าเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ที่สงสัยเป็นอันขาดและมันห้เจค่บมะเคมลมขกุล فقلتَ ُْ عَلَوُ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ و َ ن ِ س َ ا ء َ ن ا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ كُمْ م َ ن َ ب ِ ت َ ه ِ ا ل ْ ت ُ م َ ن َ ب ِ ن َ ت َ ه ِ ل ف َ ن َ ج ْ ع َ ل َ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى ا ل ْ ك َ ا ف ِ ب ِ ي ن َ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 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك فيه شيئا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 โอชาวคัมภีร์ทั้งหลายเพราะเหตุใดเล่าพวกเจ้าจึงโตเถียงกันในเรื่องของอิบราฮีมและคัมภีร์เตารอรตและอินยีล ไม่ได้ถูกประทานลง ม, มานอกจากภายหลังจากเขาและพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกหรือ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 อิบราฮิมไม่เคยเป็นยิวและไม่เคยเป็นคริสต์แต่ถ้าว่าเขานั้นเป็นผู้หันออกจากความเท็สู่ความจริงเป็นผู้นอบน้อมต่อหลอและเขาก็ไม่เคยอยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคี่ต่อหลอ อินนอุลนนบิรอิมัลลทีนบฮนบีีนมโนอมุมนอจคนที่สมควรยิ่งต่ออิบรอฮิมนั้นย่อมได้แก่บรรดาที่ปฏิบัติตามเขาและปฏิบัติตามนาบีนี้และบรรดาผู้ที่ศรัทาด้วย และอัลลอ์นั้นผู้ทรงคุ้มครองผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายดดากลุ่มหนึ่งจากผู้ที่รับคำเภีร์นั้นชอบหากพวกเขาจะทำให้พวกเจ้าหลงผิดและพวกเขาจะไม่ทำให้ใครหลงผิด นอกจากตัวของพวกเขาเองแต่พวกเขาก็ไม่รู้สึกโอ้ชาวคัมพีว์ทั้งหลายเพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงปฏิเสธบรรดาองคการของอัลลอ์ทั้งๆที่พวกเจ้าก็เป็นพยานยืนยันอยู่โอ้ชาบมิัลา ลิมเตลบิสูน الحق บิลบาติลวะทักตุมูน الحق วะอันทุมต่อละมูนโอ้ชาวคำพีนทั้งหลายเหตุใดพวกเจ้าจริงปากปนความจริงไว้ด้วยความเท็จและปกปิดความจริงทั้งทั้งที่พวกเจ้าก็รู้อยู่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 พระองค์จะทรงเจาะจงความเมตตาของพระองค์แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และลอร์นั้นเป็นผู้ทรงโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ ومنهم من إن ت م ن ه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. <تصفيق>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 และพวกเขากล่าวความเท็จให้แก่อัลลอ์ทั้งๆ ท, ท, ที่พวกเขารู้ดีอยู่มิใช่เช่นนั้นดอกผู้ใดที่รักษาสัญญาของเขาอย่างครบถ้วนและยำเกรงอัลลอ์แล้วแท้จริงอ AH ัลลอฮ์ทรงชอบผู้ที่ยำเกรงทั้งหลาย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 แท้จริงบรรดาผู้ที่นำสัญญาของอลัลลอฮ์และการสาบานของพวกเขาไปขายด้วยราคาเล็กน้อยนั้นชนเหล่านี้แหละไม่มีส่วนได้ใดๆแก่พวกเขาในปัโลกและอลัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงพูดแก่พวกเขาและจะไม่ทรงมองดูพวกเขาในวันปัโลกและจะไม่ทําให้พวกเขาพ้นมนถินด้วยและพวกเขาจะได้รับ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 โดยที่พวกเขากล่าวความเท็จให้แก้อลทั้งๆ ท, ที่พวกเขาก็รู้กันดี ไม่เคยปรากฏแก่บุคคลใดที่อัลลอะ์รงประทานคำพีและข้อตัดสินและการเป็นนบีแก่เขาและเขากล่าวแก่ผู้คนว่าพวกเจ้าจงเป็นบ่าวของฉันอื่นจากอัลลอฮ์หากแต่เขาจะกล่าวว่า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 ثم جاءكم رسول م صدق لما معكم ل َ تؤمنوا ل ن ب ِ و ل َ تنصرونه قال أقرتم وأخذتم على ذلكم إ ص ر ي قالوا أقرنا قال تشهدوا وأنا معكم من الشهدين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 ชนเหล่านี้แหละคือผู้ละเมิดอื่นจากศาสนาของอลลอกระนั้นหรือที่พวกเขาสแสวงหาและแดดพรงนั้นผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลาย และพันดินได้นอบน้อมกันทั้งด้วยการสมัครใจและฝืนใจและยังพระองค์นั้นพวกเขาจะถูกนำกลับไปุรอออบ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 ว่าเราได้ศรัทธาต่อลอแล้วและได้ศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานแก่เราและสิ่งที่ถูกประทานแก่อิบราฮีมอิสม่าอีนและอิสหและยะกูบและบรรดาผู้ที่สืบเชื้อสายจากยะกูบและศรัทธาในสิ่งที่มูซาและอีสซาและนบีทั้งหลายได้รับจากพระผู้ิบาลของพวกเขาโดยที่เราจะไม่แยกระหว่างคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาและพวกเรานั้นเป็นผู้นอบน้อมต่อพระ